ขอคารวะและขอกลบาครูบาอาจารย์ตรอดจนประเทศหลังเสนแดนเราก็เจริพรในราชโยทุกท่านตนามกหนดเดิมช่วงนี้ก็เป็นการบรรยายธรรมของหลวงพ่อคำเขียนแต่ว่าท่านามีปนาและสุขภาพกนะ็ออยังไม่ถึงกับอ า, าพาธนะแต่ว่าก็ทำให้ไม่สะดวกที่จะมา บรรยายในเช้านี้ <c oughs> ผมก็เลยรับหน้าที่จากหลวงพ่อให้มาบรรยายแทนตอนมันก็ต้องขอโนมมนานะที่ทุกท่านได้มาร่วมกันในงานอาทยาบูชาของพรเกียรเนื่องในโอกาส รอบหนึ่ ง, งกัตวรัตแห่งชากการแล้วก็ขึ้นปีที่หนึ่งร้อยหนึ่งหรือว่าเรียกว่าขึ้นอีกัตวัตที่สองแห่งชากการของหลวงพ่อเพียนการที่พวกเรามาที่นี่ก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญอาจชีพบูชาควบคู่ไปกับการบูชาธรรมธรรมขึ้นหลวงพ่อเทียนเป็นเสมือน ผู้ที่ช่วยส่องสว่างแห้แพ่กระจายอย่างกว้างข ว, า ง, วางซึ่งในปัจจุบันนะก็ผู้คนที่ได้รับประโยชน์จากคําสอนของหลวงพ่อเทียนก็มีเป็นจํานวนมากแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบย้อนกลับไปสมัยที่หลวงพ่อเทียนเริ่มมา แสดงธรรมที่กรุงเทพตมี .2118 ดยเรื่องที่วัดชรัตนาาตอนนั้ น, นี่ยความสนใจในเรื่องธรรมะของอผู้คนก็ถือว่าน้อยน้อยกว่าปัจจุบันมากโดยเฉพาะพูดในเรื่องของการเจริญสติแล้วก็ถือว่าน้อยมาก ผมจำได้ว่าเมื่อประมาณปีหนึ่งเก้าสองศูนย์เนี่ยหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติที่คนรุ่นใหม่สนใจแล้วก็รู้สึกว่ามันได้สื่อตรงกับใจของเขาเนี่ยถ้าไม่นับหนังสือของภูบาอาจารย์ เก่าๆก่อนนั้นรวมทั้งของท่านก็จะาธาสแล้วเนะนี่ยังือแค่สองเล่มเท่านั้นเองเล่มแรกคือพลังแห่งสติของท่านอาจารย์ผลิะมาเทระชาวลังกาน้าชาวเยรรมันแต่ท่านไท่สอนแล้วก็มีชื่อเสียงที่ประเทศสีลังกาอีกเล่มก็คือปฏิหาริการตื่นเสมอของท่านติณธรร ขึ้นเป็นพระเซนชาวเยอนาันในช่วงนั้นประมาณเกือบ40ปีที่แล้วก็เป็นหนังสือสองเล่มนั้นแหละที่พูดถึงเรื่องกา ร, ต, รติดสติหรือว่าการสร้างแต่ปัญญาความถุกตัวที่เกิดขึ้นโดยตรงนะที่เรียกว่าโดนใจหรือว่าได้รับความสนใจจากคนหลกสาวและที่มีการศึกษาหนังสือเล่งนั้น ก็มีเรื่องการเตรัสติอยู่บ้างนะแต่ว่าเป็นเล่มใหญ่เช่นอนาการนสติภาวนาข อ, องหลงพ้อพุทธทาซึ่งคนเห็นขนาดของเล่มแล้วก็ถ้าไม่ใช่คนสนใจธรรมัจริจริงๆก็คงย า, ากที่จะเปิดอ่านได้หนัวสือสองเล่มที่ว่าเป็นหิังสเล่มเล็กๆนะแต่ว่าคนก็สนใจมากแต่แรกๆก็มีแค่สองเล่ม มาจนปัจจุบันนี้หนังสือธรรมะรวมทั้งนังสือเกี่ยวกับการเจริญสติและความรู้สึกตัวมีมากมา ย, นยจนนักไม่ถ้วนยังไม่นับซีดีพัมมัญญยายแล้วก็สื่อต่างๆเช่นคลิปวิดีโอใน u t u b e กันมีมากมายรวมทั้งของพ่เทียนเนี่ยิดจริงแล้วเนี่ย จะเรียกว่าความสนใจเรื่องการติวสถิตเนี่ยส่วนหนึ่งที่แย่หลายเนี่ยก็เพราะว่าคำสอนของอทียนด้วยประมาณสักปีสองห้าได้านอาจารประเวศศรษษีรรรรได้เขียนบทความเป็นตอนๆซึ่งภายหลังมารวมเป็นตะเล่นชื่อว่าวิธีแก้เศษสร้างสุข เป็นหนังสือที่พิมพ์เป็นยี่สิบสามสิบครั้งไดนะ้เนาะก็มีช่วงหนึ่งที่ท่านได้นำมือประสบการณ์ที่ได้มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามหนเนี่ยก็ได้เขียนนะลงในหนังสือนะหมอชาวบ้านก็ทําให้คนเนี่ยได้เริ่มรู้จักหลวงพ่อเทียนต่อมาคงศึกษาและปฏิบัติธรรมก็ได้นําเอา บดความของทานอาจารย์ตระเวศศีนมาฟังกันเล่นก็จะว่าชื่อว่าการเตลสติบินโดยภูมิศิษาและปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นขั้งแรกที่ท่านอจารย์ระเวศพูดถึงหลวงพ่อที่ว่าเป็นปรมาจารย์แห่งการเตลสติอันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นจุดที่ทำให้คนเนี่ยได้สารมาสนใจคำสานของหลวงพ่อทีมากขึ้น ในหมู่ผู้คนที่มีการศึกษาในกรุงเทพจะ <c oughs> ทำให้ผู้คนได้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัฒนธรรมในกันมากขึ้นและนั่นก็เป็นหนังสือเล่มแรกที่พูดถึงเรื่องการเตรอนสติโดยครูบาอาจารย์ <c oughs> ของคนไทยนะแล้วก็หลงังจากนั้นก็มีหนังสือหลวงพ่อเทียนตาให ม, มา่หลายเล่ม <c oughs> ต่อมาก็มีของครูบาอาจารย์ท่านอื่นด้วย หลวงพ่อคำเขียนเป็นต้นแล้วก็ทำให้ความสนใจความตื่นตัวเรื่องการเจอสติกก็ได้แพร่ขยายกระจายกว้างมากขึ้นถ้าผ่านมาเกือบสามสิบปีหรือว่าสามสิบปีพอดีการนับแต่วันที่ปีที่หนังสือเรื่องการเจอสติของจักรเวทย์ในทีนี้ก็เราด้เห็นว่า ความสนใจเรื่องการเปรตศีิแล้วก็เรื่องการปฏิบัติธรรมมีมากมายอย่างที่ยังไม่ถึงเมื่อเทียบกับเมื่อทรักงสาสิปีที่แลอันนี้ก็ถือว่าเป็นองคการส่วนหนึ่งขององค์พระทียนี่ที่ท่านได้ริเริ่มแล้วก็ได้ได้ทีมพยายางแม้ว่าท่านจะมรณาภาพไป ยี่สิบสี่ปีแล้วปียีสิบปียี่สิบสี่แต่ว่าความสนใจเรื่องการเตลสติกโดยอาศัยคำสอนของท่านก็ยังมีเผยแพร่กันอย่างต่อเนื่องและทุกวันนี้เรื่องการเตลสติกก็ดีเรื่องการทำกรรมฐานก็ดีก็กลายเป็น เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะหรือบางทีอาจจะเรียกว่ากลายเป็นแต่ชั่นไปได้ซ้นะํานำในหมู่ผู้คนโดยเฉพาะในวงการอของผู้ที่มีการศึกษามีมีความรู้ในทางโลกก็หานมาสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นการมีอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่แพ่หลายเป็นเรื่องธรรมดา นะความสนใจก็กระจายไปสู่เด็กนะสู่วัยรุ่นมากขึ้นในรตยวงคนมีเงินหรือที่เราเรียกว่าไฮโซก็สนใจการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นเป็นนิดนิดดีนะที่ก็หวังว่าในสัวดที่สองของแองชาร์กองเราก็เทียน <c oughs> ก็จะมีความสนใจ จะนิย่ปฏิบัติการเป็นคนเป็นลำดับ แ, แล้วก็ตามเนี่ยเวลาการปฏิบัติธรรมได้แพร่หลายไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่ความความลาดเคลื่อนหรือว่าความสาดโดการปฏิบัติธรรมก็จะเกิดขึ้นนะมันก็เหมือนกับต้นร้านเนี่ย ต้นน้ำที่มาจาก่าเนี่ยก็มักจะใสแต่ว่าพอกลายเป็นลำพุย่ยแล้วก็กลายเป็นแม่น้ําแม้ว่าปริมาณน้ําก็มากขึ้นแต่ว่าความใสก็จะลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปก็จะมากคนที่ไดประโยชน์จากแม่น้ำก็จะมากกว่าคนที่ได้ประโยชน์จากต้นน้ําเพราะว่าแม่น้ำนํำ พาเข้าในเมือคนแคบประโยชน์ก็มีมากแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าความสายบริสุทธิ์เนี่ยก็จะต้องเกีก่ยวข้กับใจใจธรรมดาก็จะต้องมีาาการกระตุ้นเตือนแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยได้สา ม, มารถจะเข้าใจแต่แงแข่ข อ, อการปฏิบัติได้ช่วที่ได้ไม่ไมลาดเพื่อหรือสองทางไป คือญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเป็นจํานวนมากก็คือความเข้าใจที่พลาดเครื่องเกีเ่ยว่องการาทําจิตโดยเฉพาะความเข้าใจเรื่องการปล่อยวางอยะไรนี้ก็มีการพูดเรื่องการปล่อยวางเยอะแต่ว่าความเข้าใจาพลาดเครื่อนก็มีอยู่มากเมื่อเร็วๆนี้นี่ก็มี อาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยจะออกก็สอบนะในวิชาเกี่ยเรื่องพุทธศาสนาก็ยกเป็นตัวอย่างว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแกก็เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็นักปฏิบัติทั้งอ่านหนังสือแล้วก็บุคคลที่สนใจในเรื่องการป่อยวานที่เป็นโจทย์นะก็สอบแล้วก็วันหนึ่งก็เอาสัญญา ขยาะที่บ้านเนี่ยไปทิ้งในบริเวณที่กจัดให้เพราะกลัวว่ากองขยะที่มันมีคนเอาขยะมาทิ้งมีมากหรือเกินไม่เป็นระเบียบแล้วก็ส่งกเห็นส่งกลิ่นเหม็นขยะเนี่ยเราคงเห็นนะกองที่เนี่ยมันมี็นกองขยะที่อยู่ที่สาธารณะก็ไม่ใช่เป็นที่ที่ที่จะจับกองขยะแต่ว่าคนเอาขยะมาทิ้งมากองนียเรียกว่าถืวิกาสะ ตองติ่มเน้นไปทั่วแล้วก็รับเกลี่ยรับกลับมากเด็ผู้ชายคนนี้เนี่ยเมื่อเห็นสภาพเช่นนี้นะก็ก็คิดว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องปล่อยวางอันนี้ก็เป็นโจทย์นะแต่แล้วก็เลยมีคําถามว่านักศึกษามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความเห็นของผู้ชายคนนี้ในเรื่อง บอกว่านะักษาสนใจญ่ในวิชานี้เนี่ยเกือบร้อยทั้งร้อ ย, เ, ยเห็นด้วยว่าถูกแล้วปล่อยวาง น, น, นี้ถูกแล้วนะอันนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามขึว่าการเข้าใจเรื่องการปล่อยวางเนี่ยเราก็จะถูกต้องแล้วหรือหรือพราะในปัจจุบันที่มีความสนใจเรื่องธรรมะมากกนะารปล่อยวางในเพื่อศาสนาเนี่ยท่านหมายถึงการทำจิตก็จริง แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือว่าการทําจิตนจะิตเนะี่ยออกกายใจออกใจอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเมื่อเห็นปัญหาเกิดขึ้นกับชุมชนของตัวนะก็ควรแก้ไขนะไม่ใช่ว่าเราจะทําจิตหรือปล่อยวางอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปรับผิดชอบหรือมีส่วนในการแก้ไขสิ่งแวดล้อม จริงถ้าปล่อยวางจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรเอาขยะในบ้า น, นไปเนี่ยไปทิ้ข้างนอกด้วยซ้ำก็ต้องเอาขยะเนี่ยเก็บไว้ในบ้านแล้วก็อยู่กับกิ้ขยะต่ อ, ยยยยอไปแต่ทาไมเราไม่สามารถจะเก็กิี้ขยะในบ้านเราแต่เราขยะของบ้านเรามีเกทิไว้ข้างนอกจนสมงสิณ์เนี่ยแล้วเราก็้วัดปล่อยวางอันนี้เนี่ยนอกจากแสดงให้เห็นถึงความใน่เข้าใจเรื่องการปล่อยวางในพุทธศาสนาแล้วเนี่ย ลรืๆมันก็แสดงความเห็นแก่ตัวด้วยก็คือว่าฉันเอาข ย, ยัะของฉันไปทิ้งข้างนอกเนี่ยถือว่าถูกต้องแนละ้วตัวขยะข้างนอกมันเป็นยังไงฉันไม่สนใจก็อย่างที่บอกไว้แล้วถ้าปล่อยวางกินทิ้งเนี่ยก็ไม่ควรเอาข ย, ยับในบ้าตนายายาตัวออกไปทินอกก็ดูดกล้องขยะที่บ้านตัวนั่นแหละมันส่งผิดหรือยังไงก็ช่างมันที่จริงก็ถูกนะถ้าเกิดว่า ว่าเราต้องจะต้องอยูวกอกอมขยะจริงๆเนี่ยในขณะที่ยังในขณะที่ขยะมันยังส่งติดเหลืองอยู่แล้วก็ใจไม่ถูกไปกับผิดขยะนั้นอันนี้ก็ปล่อยวางได้แต่ว่าก็ควรแก้ไขด้วยอาจจะไปบอกให้ผู้รับผิดชอบมามาคนขยะไปหรือว่าช่วยกันอชวนคนในชุมชนเนี่ยมาช่วยแตะการกองขยะนั้น อันนี้เรียกว่าทำทั้งจิตทำทั้งจิตทำจิตปล่อยวางใจไม่ทุกข์ในขณะที่เราแก้ไขปัญหาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ปล่อยปากรับเลยนะอันนี้แหละมันถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงก็คือว่าทำใจของตัวเองด้วยใจไม่ทุกขนะ์แต่ในการอะไรที่ควรแก้ไขได้ก็ควรทําก็มันก็เวลาเราเจ็บป่วยเนะี่ย แต่เรเจ็บป่วยเนี่ยก็ควรปล่อยวางแน่ที่วว่าจะไปทุกข์กับมันคื อ, อทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์แต่ถามว่าควรรักษาไหมก็ต้องควรรักษาตรงที่บอกว่าควรปล่อยวางเนี่ยก็ไม่เห็นก็คนเลยที่ว่าพอป่วยแล้วเนี่ยปล่อยวางเฉยแล้วไม่ไม่แต่รักษาก็มีการขนสายรักษาไปหาหมอมาแต่ในระหว่างที่มันยังไม่หายเนี่ย ใจก็ไม่เป็นทุกข์กอดันนะมันทุกข์แต่กายหรือใจไม่ทุกซึ่งต้องอาศัยสติมากเพราะว่าเวลาไม่มีสติเนี่ยนะจิตมันก็ไปเอาความทุกข์ของกายมันไปหลงเอาความทุของการมาเป็นความทุกข์ของใจเกิดความรู้สึกปรุงแต่งขึ้นมาว่าฉันปวดฉันปวดฉันทุกข์ฉันทุกข์มันไม่ใช่แด้เห็นความปวดของกายแต่ว่าเกิดมีผู้ปวดขึ้นมา อันนี้เราไม่มีสตินะหลงลมตัวตนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยมันก็จะวางได้แม้ความทุกข์ของการเป็นวาทุกข์ของใจงไม่มีความตัวกูพูดปวดเกิดขึ้นแตแน่แน่นอนเราก็ต้องเยียวยารักษานีอันนี้คือการปล่อยวางอย่ถูกต้องกคือว่าทำทั้งจิตแล้วก็ทำจิตด้วยแลเคมีเรื่องเล่านะว่า ตอนนึงสมัยที่หลวงพ่อชายอยู่ท่านก็ไปเดินตามสุตติก็ประมาณนั้นเนี่ยที่วัดหนองกรพงเนี่ยสุตติที่เป็นสุตติแต่มุงจากมุงย่ามีสุตินึงก็โดนโดนลมพัดไปมันก็ต่อเลิดร่างกาก็ตเลิดไปอยู่ฟ้ามันทีเดียวเนี่ยก็แปลว่าพระที่อยู่ในสุตติเนี่ยท่านก็ ไม่ได้ทำอะไรกับหลังคานั้นท่านก็ปฏิบัติของท่านไปหลวงพอชาวก็าถามว่าท่านทาอะไรพระดุลแล้วก็ตอบว่าผมปล่อยวางครับหลวงพ่อชาก็เลยบอกว่าให้ปล่อยวางเพ่อการนั้นมันต้องใช้สมองนะถ้าทำานี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการรองใช้แบบโอดับควายก็คือว่าปล่อยวางก็จริงแล้วนหลังคาหลังคาลวกก็ไม่ทุกแต่ว่าก็ต้องซ่อมก็ต้องจัดการด้วย อันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะครับนับปฏิบัติธรรมจนแน่นอนพอปฏิบัติธรรมไปแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องการปล่อยวางอย่างถูกต้องก็เรียกว่าก็เลยการเป็การปล่อยปาลัเลยไม่ทําหน้าที่นะนักปฏิบัติธรรมในหลายสํานักมีวเวลาปฏิบัติไม่ก่อ ตั้งใะปฏิบัติอย่างเดียวคือปฏิบัติในปฏิเสธหรือว่าในในที่าพากแต่ว่าพยายามที่จะไม่รับผิดชอบกับงานการของส่วนรวมทั้งทั้งที่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอาตมาตผ ม, มตอนเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีคนมา รับกลับสมุนไพรที่ว่าตาสุโตโตสมัยนั้นยังไม่มีการสร้างกำแพงสมายนั้นพระก็ยังมีได้มากเนี่ยก็ไม่ถึงสิบรูปญาติโยมก็ไม่มากเท่าไหร่ผมก็เลือกรักกบส่วนพระแล้วก็ญาติโยมไปช่วยกันตามหาคนที่มาลักลอบกลับสมุนไพรไม่ใช่เพื่อจะจะจับข้าวสงฆ์ตำรวจอะไรแต่ว่าเพื่อให้คนที่มาลัก กลับมาเนี่ยก็รู้ว่าทางวันเน <c oughs> ี่ยใส่ใจเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้ใครแล้ัดก็ตามสบายก็มีพระลูกมีท่านได้ปั่นเนี่ยก็เมื่อเสร็จธุระแล้วก็เลยผมเลยด้ถามว่าทําไมท่านไม่ไม่ปช่วยกันอดูแลป่าท่านก็บอกว่าผมปล่อยวางครับคือปล่อยวางว่าป่านี่ไม่ใช่ของฉันป่าไม่ใช่ตัวกูของกูก็เลยปล่อยวาง อันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจจิ้มอยู่ปาแล้วก็อะไรประการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราในความหมายที่เปาไปรับการแต่ว่า <c oughs> ก็ไม่้หมายความว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราไม่รับผิดชอบของที่เรายืมมาไม่ใช่ของเราก็จริงใช่ไหมโทรศัพท์มือถือหรือว่าวิดีโอกล้องแต่ว่าเมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วเราจะแช่มันยังไแงบบ แบบดดหรือเฉยเฉาได้หรือเปล่าเนะไม่ได้เราก็ต้องดูแลของที่เราหยิบยืมมารู้ทั้งรู้ว่าวไม่ใช่ของเราเราก็ต้องดูแลใจใสนะ่บอกว่าไม่ใช่ของเราเพา ะ, ะนั้นฉันไม่สนใจไม่ได้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วแต่ทาไมเราต้องยังหาอาหารมาใส่ปากใส่ท้องทําไม ป, ป่วยเราต้องรักษาเพราะมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลเพื่ให้เกิเปดประอย่างเต็มที่ เราไม่จำเป็นต้องรักษาป่าเพราะเป็นของเราถึงแม้ไม่ใช่ของเราเราก็รักษาได้เพราะว่าเป็นการตอบแทนบูลคุณของป่าเป็นการตอบแทนมูคุณธรรมชาติหรืวาเป็นหน้าที่ต่อส่วนรวมที่เราควรรับผิดชอบร่วมกันนะนี่คือความหมายนะว่าการปล่อยวางดีแล้วนะเราไม่ทุกในะเวลาป่าถูกไฟไหม้เราก็ช่วยกันดับแไฟใจเราไม่ทุกเราก็ทําไปตามหน้าที่ หรืที่จแจเราก็ไม่ได้ปวดแ้นแต่ว่าไม่ได้ปล่อยปากนะั่นเลยอต่เดี๋ยวนี้นี่เรื่องการปล่อยวางก็ถูกใช้ไปเป็นข้ออ้างในการที่จะปฏิเสธความรับิดชอบว่าหน้าปฏิบาามมัติธรรมตนวเล็กน้อยก็พยายาม <c oughs> ไม่ <c oughs> อยกเกี่ยวข้องกับงานในวัดหรือในสำนักไม่นะว่าจะเป็นงานครัวงานงานงานดูแลเสรีานารสนนะอันนี้เนี่ย เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาซึ่งในที่สุดแล้เนี่ยมันกลายเป็นข้ออ้างกับความเห็นแก่ตัวบางทีคนเราเนี่ยเราไม่ใช่คนเรามันดีเกลเล่นนี่มันก็ฉลาดดี่กลเล่นความเห็นแก่ตัวมันก็ฉลาดนั่นก็รู้จักอ้างออกคำมะเพื่อที่จะมันจะได้เห็นแก่ตัวได้มากๆแล้วปฏิบัติธรรมบีไม่ไม่รู้ทานดีเกลเล่นตัวนี้ไม่รู้ทานความเห็นแก่ตัวก็ขอให้มันอ้างเอาเรื่อง ธรรมะขั้นสูงหรือว่าธรรมะที่ดูสวยดูเนี่ยมันเป็นข้ออ้างในการที่จะผลนเปลือความมีแต่ตัวตอกต่างบางรายก็หนักนะอย่างนี้อก็ผ ม, มเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งคนไข้คนนี้ก็เป็นมะเร็งแล้วก็ที่คอแล้วก็ก้อนมเร็งก็บานบวมใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเนี้ยก <c oughs> อนั่งแบบนี้ไม่ได้แล้วเขาต้องโดยแลาก็เวลาก็จะนั่งเนี่ย การนอกงแบบนี้ไม่ได้ต้องเอาเอาตัวเนี่ยนอนรากกับเตียงเวลาคุยเนี่ยก็ต้องโ้มลงคุยออกับเขาเพราะกานั่งธรรมดาไม่ได้ต่อมาอาโรงพยาบาลก็ดูแลเขาจนทั่งเขากลับไปบ้านได้เมื่อกลับไปบ้านแล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็ตามไปดูว่าเป็นยังไงบ้างโรงพยาบาล น, นี่ก็ใจใสเป็นของรักนี้น ก็ได้พบความจริงว่าไม่มีใครดูแลก็เลยถามว่าก็มีน้องมีที่ไหมมีแต่ที่น้องไปไหนไปปฏิบททัติธรรมไปปฏิบัติทิศธรรมที่วัดแห่งหนึ่งโรงพยาบาล น, นะทางโรงพยาบาลก็ไปถามว่าไปถึงหน้าเลยนนะไปถามหาพี่สาวว่าให้มาช่วยน้องชายเลยเพราะว่าน้องชายนไม่ไหวนะพี่สาวบอกว่า ต้องรับกรรมเองนะพี่สาวว่าใ ห, ให้น้องชายรับกรรมเองนะส่วนพี่สาวจะประกอบปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอันนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากว่าอย่างที่เราเอาเอาเรื่องกรรมเนี่ยมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่เราจะได้ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือหน้าที่หรือว่าปฏิเสธการมีน้ำใจนะคนป่วยคนนี้ไม่ใช้ใครที่ไหนก็เป็นน้อง เป็นน้องอร่วมบ้านเดียวกันแต่ว่ารับปฏิบัติธรรมตรงนี้ขอบอกว่าเราจะปฏิบัติธรรมพิ้งวัดแล้วก็ให้น้องชายรับกรรมเองนั้นที่เป็นความเข้าใจเรื่องกรรมที่ไม่ถูกต้องแต่เราก็เอามาใช้เพื่อที่จะปฏิเสธความมีน้ำใจความช่วยเหลือกันอันนี้เนี่ย มันแสดงมันไม่ได้ไม่คจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากปากของนักปฏิบัติธรรมเพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยความเห็นใจตัวเราก็ต้องน้อยลงเอามีความเมตตากรุณามากขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้ต่อไปด้วยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ควราไม่จำเป็ว่าต้องอุู่ทวัดการที่ไปดูแลน้องชายก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะเพราะว่ามันได้ อาศัยทั้งความเมตตากรุณาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบได้ <c oughs> การปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าเราต้องอยู่กับสิ่งที่เราชอบแล้วก็เิสเกับสิ่งนั้นและสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยู่กับมันได้เราก็สามารถเที่ยวเกี่ยวข้องกับมันได้เช่นการดูแลทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งชื้อโรคทายนะอันนี้มันการแสดงความเมตตากรุณา แล้วก็เป็นการที่จะฝึกดูใจดืวยว่าใจของเราเป็นอย่างไรใจนะของเราต่อบตั้งตอบใสและเราสามารถที่จะปล่อยวางได้ปล่อยวางมันควรจะมาใช้ในโอกาสแบบนี้นะไม่ใช่ปล่อยวางในความหมายที่เป็นการปล่อยปละเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในในหมูม่แร่บางคนสนใจธรรมะหรือผู้ที่เลือก ว, ว่ารับปฏิบัติธรรม เคยมคนมาถามผมว่าจริงไหมที่มีคนบอกว่าเวลาเราเวลาเราแผ่กุศลให้ใครเนี่ยอย่าแผ่มากนะอย่าอุทิศมากนะให้ใครเพราะว่าบุญกุศลของเราจะลดลงก็แปลกใจนะามีคนคิดแบบนี้แต่ว่าตอนหลังเราก็ว่ามีคนคิดแบบนี้มากทีละเมื่อคิดแบบนี้มากทีละเมื่ การจะช่วยเหลือใครต้องระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดช่วยเข้าไปแล้วเจ้ากรรมนเร น, นเขาจะมาเล่นงานเราอันนี้ก็เป็นความเป็นความที่ที่แพร่หลายมากที่นเรื่อยๆแลทั้งในวงการแพทย์พยาบาลถ้าเกิดมีตันวน้ำตาลโมโนสเตรนลุกลาว่าถ้าเราช่วยคนใกล้ตายาเนี่ยจะช่วยก็รอดชีวิตได้เจ้ากรรมนเร น, นเขาจะมาเล่นงานเราแทน แถ้าคนไทยเราพิจนรี้มากคือเมื่อไปเห็นคนกระสอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยก็ไม่ช่วยเพรช่วยแล้วเกิดเขาล่อตายขึ้นมาเจ้า ก, การรมเยวินของคนนั้นจะมาเล่นงานเราแทนต่อไปเห็นคนจะตกน้ําคนตกน้ำตอนจะตายเราก็ไม่ช่วยเพราะเหลือจเจ้ากรรมเยวินเขามาเล่นงานเราถ้าเราช่วยเขารอชิตได้อันนี้คือสิ่งที่ เกิดขึ้นมากเรื่อยๆในราชวงคนสนใจธรรมะและปฏิบัติธรรมจึงต้องกลับมาถามตัวเองให้ได้ว่าไอ้ที่เราถ้าเกิดเราคิดแบบนี้มันถูกไหมมันถูกหลักพุทธศาสน า, าไหมการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำให้เราเมีความเมตตากรุณานมากขึ้นแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง ยิ่ถ้าเราเจริสติแล้วเนี่ยเราต้องเจริญสติจนกทั่งเราสามารถที่จะเห็นไอ้ความยึดมั่นหรือมั่นในตัวตนในตัวปูของเราให้ได้ได้ใช่ว่าเห็นแต่ความที่ติดกุ่มแต่งเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วกระวางแต่ว่าไม่สามารถที่จะสาให้ลึกจนกระทั่งเห็นเห็นความที่ติดหรือมั่นในตัวปูหรือความเห็นแต่ตัวที่มันกูุ่มแต่ง ไอ้ความิดต่างๆมากมายนะอันนั้น็คือตัวรากหน้าของของของปัญหาการเจริญสตินี่ไม่ใช่เพียงแค่การวิตัยไปตัดกิ่งตัดต้นแต่ว่าจะต้องสาวไปให้ได้ว่าสาวอย่างคุณรากนยะถ้าเราโมาจะตัดกิ่งตัดใบแต่ว่า่อให้รางมันคงอยู่มีน้ำซ้ำลงกับปุ๋ยมามาดูแล ทาให้ล่างเงินเจริญก้าวหน้าหรือว่ายัางลึกมากขึ้นลต้นกระสูงมากขึ้นแต่เราก็ยังคิดว่าการตัดไม้ติดกิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วก็สามถนั้นพอมนไม่ได้นะเมื่อเริ่ดทำเราจะาเรียนสติก็ต้องเห็นให้เห็นว่าความร้อยเห็นความปรุงแต่งนะความยึดมั่นในตัวกูนะ ความเห็นแก่ตัวผู้เรียนแรกในแก่ตัวเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังความคิดคุ้นแส่ต่างๆซึ่งเราก็ต้องถามสามสารถกระสาวไปให้ถึงได้บางทีการปฏิบัติธรรมของหลายคนเนี่ยมันเหมือนากับการที่ตัดกวาดก้อนหินก้อนปวดก้อนเล็กแต่ว่ากว่อให้หินก้อนใหญ่ๆวางทิ้งเอาไว้เสมือนก็วามองให้เห็น ไอ้หินก้อนใหญ่ตัวนี้คือแล้วก็เป็นวยความมั่นในตัวครูความภูมิใจเป็นตัวคูของคูนั่นเองแล้วก็อมองให้เห็นต้องสาวก็ให้ได้นีแม่ชีบางคนนีอ่อยู่ที่วัดเนี่ยแต่ก็ก็จากลูกยิงครอบคัวมาวันนึงลูกสาวก็มาขอยเงินสองยืมเงินก็ไม่มากเท่าไหร่สองสามพันเอะเครียมากแลวก็เดินรงกรมอยู่นั่น เดินจงกรมไปเครียดไปเครียดเพอะลรเพรเสียใจเงินแต่ถ้าเดินจงกรมนั้นเนี่ยมองไม่เห็นในความยึดเอ็กซ์มั่นในเงินนะว่าเงินของกูเงินของกูเดินจงกรมเท่าไหร่เนี่ยไม่สามารถที่จะสาวไปเห็นถึงความความหงแหนความเหน่ตรงนี้ได้มันก็มีมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติจนเห็นว่าโอ้ความหวงแหน ในเงินกอเปเงินของกูของกูนี่แหละที่มันเป็นตัวการปัญหาไม่อยู่ที่ลูกสาวมาหยิบแต่ น, นายนี่เองใจที่มันยึดติดหรือมั่นในเงินนะว่าเป็นของเราเป็นของกูไม่ได้กักปล่อยวางให้ได้ถ้ามองเห็นตรงนี้เนี่ยปฏิบัติหรือเดินจมผมไปก็ยังไม่หายทุกูนั้นการนับปฏิบัติเนี่ยเราต้องสามารถที่จะปฏิบัติตรงทั้งามสามารถที่เผชิญหน้าหรือถึงความ รเรชิญน้ากับความเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นในความที่ติดถือมั่นในตัวกูของกูนี่ได้กูอาจจะต้องเผชิญหน้ากิเลสเห็นกิเลสกันอย่างชัดเจนไปนเลยและกิเลสเนี่ยนะที่จริงก็เกิดจากความที่ิดถืสมั่นในตัวกูนั่นเองมีตัวกูเมื่อไหร่นี่ก็ไอความทุกข์ก็ยังต้องเกิดขึ้นต่อไป แต่ถ้าเกิดว่าเราเจริสติดีมีความสุขตัวให้ความกรูมแต่งในตัวกูก็หมดไปอันนี้ก็สิ่งที่หลวงพ่อเทียนนี่ท่านท่านได้ท่านได้ชี้ท่านได้สอนมีพรามหนึ่งอะันนีาารโกวิตเล่าประมาณปีหนึ่งแปดหลวงพ่อเทียนท่านก็เริ่มมาอย่างที่บอกไปแล้วหลวงพ่อเทียนท่านเริ่มมาสอนที่กรุงเทพข้งแรกก็ที่วัดชนรัตนาามตอนนัวัดนานนายวัดฉนานวัด วัดสนามใหญ่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างเริ่มแนละ้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการาทำปิ่นจังหลวงพ่อเทียนท้านก็มาที่วัดเจริญอาจารย์ตูนี่นี่ก็เป็นพระตอนนั้นะเป็นตอนหลันงนก็มาเป็นลูกศิษย์ของพระเทียนแต่ตอนนั้นท่านยังยังยังปฏิกัติธรที่ทส่วนโมกอยู่แต่ว่าท่านมาที่วัดสนานให้ามาที่วัดรจราญด้วยเพราะว่ามีการอบรมพระนะ ในช่วงนี้ก็มีการาเชิญแต่การศาสนานี่มาบรรยายธรรมก็มีท่านพระพุทธอโยธนาตญณยปุญตซึ่งเป็นสายทางหลวงพ่อวธตาะถ้าเป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมก็มาบรรยายธรรมหลวงพ่อเทียนเนี่ยถ้าไม่ได้ไปฟังอยู่ ใ, ใกล้นะแต่ว่าท่านอยู่ที่กุฏิแต่ว่าเสียงก็ได้ยินมาเป็นกุฏิของท่าน ตอนึงทัายีประยูนยก็พูดถ้าํำผมจำได้ไม่แน่ไม่ไมไมไมละเอียดนะแต่ท่านพูดํานองนี้ว่ามีอัลล็อกอัลละอกกับพระเจ้ามีอัลล็อกก็ไม่มีประยูนยมีประยูนยก็ไม่มีอัอลล็้วคนฟังจำนวนมากกอ ง, งงว่าทําหมายถึงอะไรแต่ว่าพอพูดจบเนี่ยหลงพ่อจีนก็เดินมาหาดีไปุูแล้วก็ ชมก็เนี่พูดได้ดีพูดได้ถูกต้องอาจะประยุกพูดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรมันก็พูดแบบพูดคือว่าถ้ามีความสุขตัวก็ไม่มีตัวฉันถ้ามีตัวฉันก็ไม่มีความสุขตั ว, ว, ต ว, ว, ตวหรือว่าผู้ที่ลึกกว่านั้นก็ได้คือว่าถ้าจะมีมตัวฉันแล้วก็ความสิ้นทุกข์ก็ย่างไม่ปรากฏ แต่ถ้ามีความความเสี่งทุกเกิดขึ้นนะก็ไม่มีตัวฉันมองจะได้มองไปได้รึกขนาดนั้นเลยก็ได้นะในความความความความตัวเป็ตัวฉันเนี่มันจะมีอุปสรรคสําคัญต่อการสร้างความสุขตัวแล้วก็เป็นประตูขวางทางเข้าสูนิพพานหรือการดับทุกแต่วา่าถ้าตัวฉันนี้ เราสังเกตก็ได้ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันจะปรุงเป็นตัวฉันอยู่เสมอเมื่อไรก็ตามที่เรามีความเจ็บความกวดความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเรามเไม่มีสตินม่มีฟ้องสักตัวมันก็จะมีฟ้องคืว่าฉันเป็นผู้ทุกข์ฉันเป็นผู้ปวดฉันเป็นผู้ที่ฉันเป็นผู้โกรธไอ้ตัวนี้แหละที่มันทำให้เป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าถึงการปล่อยวาง นอนุปสัสสการในการที่จะครอบถึงความตึม้นทุกได้แต่เมื่อการที่เรามีความสุดตัวไม่ว่าจะเกิดภษาษะทางแดดกตามทางตาหูจมุกร่างกายหรือว่าทางใจมีควองสุดตัวตื้นตื้นหน้าเวียนาแตและจะมีเวทนาเกิดขึ้นแต่ถ้ามีสติมีความสุดตัวมันก็ไม่ปูแนแก่เสร็จกันเถอะอุปทานอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติเลย ความสุดโตนี่ย <Yeah. S 1> เมื่อจะกระารที่เกิดขึ้น <Yeah. S 1> มันก็มีการ ป, นะปรุรง เ, รเป็นตัวฉันเพราะมนเตรวเพราะการเป็นตัวฉันมันเกิดจากความหลงแต่ตัวกูเนี่ยตัวนั่นของปู ด, ด้วยมีความสุดโต้งเมื่อไรความหลงก็หมดไปก็ไม่ปรุงแต่งอันนี้ก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้จัดสอนพระสอนพันีเจ้ท่านพายีจ้ ท่านภตรยานี่เป็นเด็กเป็นปริพาชกหรืวาเป็นนับ <c oughs> นบกบวนอกพิธกษ์าสนาก็ได้แล้วเคยสาคัญตัวก็เป็นพระอรหันต์ต่อมาก็เมื่อรู้ว่าเรืงนไม่ใช่พระอรหันต์ตามนี้ก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นเทวดาเนเราบอกว่าท่านไม่ใช่พระอรหรันต์พระอหันตัวจริงเนี่ยอยู่ที่เมืองสาวกถิไตรย์นีัน้ง ก, ะกระฉาก ร, รู้ว่าก็รู้ตัวว่าไม่ใช่ท่านพระอรหรรันต์จงแตตอนนี้เคยเชื่อ แล้วก็มีาาราบประกาอะไรอยู่แต่พอรู้นไม่ใช่ก็รงนีไปหาพระพุทธองค์ทันทีตามตามข้อมูลที่ได้รับก็ที่ว่าเดินันเป็นร้อยร้ยโยนเลยไม่ได้พักเลยอ้ามข้ามวันแล้วก็ข้าทีืไปถึงเมืองสาวกถีตอนเช้าพูุ้ทธเจ้ายังเสด็จถึจงบมาสังทายาก็ตรงเข้าไปขอความคมจากพระพุทองค์สรพองค์ก็ปฏิเสธ ทันพยยากมก็ยอมก็ขอฟังธรรมู่ลองปฏิเสธถึงสามครั้งนะตอนหลังก็ครั้งสุดท้ายก็เล ย, ยอมท่านคงเห็นได้ ว, ว่าตอนนั้นเนี่ยท่าขยายามจะเริ่มสงบลงคือตอนนั้นกระตุ้นเริ่มมากที่จะฟังครถ้ามันมีการกระตุ้นเริ่มลดเนี่ยใจไม่ไม่สงบพอใจไม่เป็นกลางพอที่จะฟังคำแต่แว่าพอใจเริ่มสมงบแบ้วรมเ็แสดงคำสั้นๆก็ตอนนั้นกำลังดีขึ้นบา้าง ก็บอกว่ า, วาต้องตัดว่าเมื่อตาได้รู้ก็ตัดแต่ว่าเห็นเมื่อหูได้ยินก็กตัดแต่ว่าได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นก็กตัดแต่ว่าได้กลิ่นเมื่อลมกระทบใจก็ตัดแต่ ว, ว่ารู้ในอารมณ์นั้นเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้ในโลกนั้นและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์พอตัดท่านที่จบนี้ตังแต่ยานิรบาตรุทั้งหนึ่พระหามเลยแต่ท่านที่ไม่ได้บวชนะ ไก็เได้ช่วเป็นเพจแต่ทับข้าในเรื่องการรู้ธรรม้รื่วเดีดเวเมื่อรู้ธรรมแล้วเติมข้าทแล้วก็ตั้งใจจะไปบวชเอิมลาธูลาพระเจ้าไปหาบริขารเพราะว่าออกจากที่นั้นไม่ทำแล้วก็โดนบวชผิดตายอันนี้ ก, ก็เป็นประัตินี่ที่พรงเ์ได้ตัดกับพระไตรยันนี้มันชี้เลยว่ามันสําคัญมากการเจริญสติ เมื่อไรที่เราเมื่อไรที่เรามีสติเมื่อนั้นเนี่ยตัวเธอจะไม่มีตัวเธอเป็นการบุมนะบูมเป็นตัวฉันนั่นเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหลายตัว <c oughs> ตก็มุ่งแต่จะเอาควาสมสงบแต่ว่าไม่สามารถที่จะหรือไม่เห็นความสำคัญใการที่จะปฏิบัติเพื่อปัญญาไม้เห็นถึงขั้นว่าเองตัวฉันเนี่ยที่ มีเป็นสำนึกในใจเนี่วพอเป็นการถึงจางที่เกิดความลงและพอเราปฏิบัติต้องการความสงบแล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ปัญหาเดิมๆที่ผู้แสวงการสอนเชิงคือว่าการการพยายามที่จะปล่อยวางอย่างไม่รับผิดชอบหรือปล่อยปล่อยละเลยหลายคนที่ไม่อยากจะทํางานทําการไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะว่าติดสงบ ในว่ามีงานมีการอะไรก็ไม่ทํเพาะว่าติดสงบแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งแต่ที่จะสาวให้เห็นใอ้ฟังจะตัวหรือความที่ติดถึงมันเในตัวปู่ที่มันครองใจถ้าเราปฏิบัติธรรมเพื่อหวังแตความสงบเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่พยายามที่จะหนีปัญหาแล้วก็หลบปัญหารวมทั้งการเนคนอ่อนแอและไม่รูตัว ก็คือว <Gedanken. S 1> ่าอะไรที่ที่ไหนที่สงบนี่ฉันจะไปอยู่ที่ไหนที่บุญวายที่ไหนที่มีงานเยอะที่ไหนที่มีเสียงดังนี่ฉันก็ไม่เอาฉันคอยหนีก็เลยทำให้นักปฏิบัติตำนวนไม่ไม่น้อยอย่างเนี้ยการมีคนอแอนแมีเสียงดังก็ไม่ได้การแดดร้อนก็ไม่ได้หรือว่ามีงานการนิดหน่อยก็ไม่เอาการปฏิบัติทำเลยเพราะการเจือนสติจะต้องทำให้เราเคร่แข็ง สามารถที่จะตป็นปกตได้ในทุกที่ในทุกสถานการณ์ขนาคนธรมดาลนี่เขายังอยู่ได้เลยเสียงดังเขายังทนไหวแต่หลายคนพอปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปเสียงดังมีชั้นในเอานะชั้นฉั้นคอยฉันหนึ่งเดี๋ยวแม้จะเกิอดบางคาันหรือว่าเกิดควา ม, ม, มวหิดการหวหน่อนแทะต่อเสียงเสียงดังก็ไม่ได้เสียงรถยนต์เสียงโทรศัพท์ ดังก็ไม่เอาการปฏิบ the ัติธรรมให้คนอ่อนแพ่แบบนี้ไม่น้อยเพราะว่าเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วในข้าวปฏิบัติธรรมรู้การเจริญสติปัญญาเทียนเนี่ยนะมันจะอยู่กับจะอยู่กับเหตุการณ์ด่านที่อยู่กับสิ่งที่กระทบกันได้สบายเพราะว่าท่านเนี้นไม่เน้นเร่องความสวบอยู่แล้วปฏิบัติธรรมก็เปิดตามตากลางวันนตรงๆก็ไม่ได้เดินช้าเพราะว่า ท่านในระกาในคนยัติสมุทรสามารถที่จะาสามารถที่จะรู้พันในทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าการเดินเตียคือว่าการสุดให้เห็นให้เห็นไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าพิษดีพิชั่วก็ก็เห็นมันแต่ว่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงดังเนี่ย นะเวลาจิตกระเพื่องขึ้นมาก็เห็นอาการที่จิตกระเพื่องเสร็จแล้วก็วางได้แต่คนที่ติดสงมบมเนี่ยนะก็จะก็จะไม่ไม่รู้ทำไอ้จิตที่กระเพื่องเวลาจิตกระเพื่องขึ้นมาก็โกรธก็ไม่พอใจเสียงที่ไม่พอใจต้นเสียงนจะิตก็ส่งออกนอกแต่ว่าไม่หันมาดูใจว่าใจมันนตอนนี้เนี่ย แล้วกลังรับเพื่องกาลังทุกขนะ์แล้วเมื่อไม่เห็นก็ปล่อยวางไม่ได้ก็ทําให้มีความทุกข์เสร็จแล้วก็เลยหนยีที่จริงแล้วในนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องฉลาดแล้วก็เข้มฉลาดในการหาประโยชน์จากทุกสิ่งทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าทําเช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข็งแกร่งเพราะว่าคนที่ฉลาดแบบนี้เนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นถือว่าดีทั้งนั้น ล้วนแต่เป็นอาจารย์ล้วนแต่เป็นครูที่ฝุกใจเสียงดังก็เป็นครูให้กับเราได้เป็นครูฝึก ส, สติเนี่ยนะแดดร้อนอากาศหนาวก็ล้วนแต่เป็นของครูเพราะว่าฝึกให้เราเนี่ยมีสตดนะิดูมันเวลาอากาศหนาวเนี่ยเห็นใจเห็นเห็ น, น, น, น, น, นกายนะที่มารู้สึกต่อความต่อความหนาวนั่นนะ <c oughs> เวทนาเกิดขึ้นคือทุกขเวทนาเห็นใจที่มันขับสายเวทนาล้ำใจที่มันรู้สึกไม่ชอบตัเวทนา น, านักบุญราอันนี้ก็สิ่งที่ที่เป็นโอกาสนี้ให้เราได้ฝสึกไม่ว่าจะยุ่งกัดไม่ว่าจะมดกัดก็เป็นถูสอนได้แม่สอนแสอนเรื่องความอดทนให้กับเราเพราะว่าอดทนด้วยความทุกข์ด้วความเศร้าก็มีอยู่ แต่เราไม่ต้องอดทนแบบนั้นเราเพียงแต่ว่าได้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นหรือว่าเห็นใจที่ถันทุกเพราะเวทนานั้นเมื่อรู้ร่ามันเกร่ยวข้องได้จิตไม่ฝกักไม่เบี่งกับเวทนาหรือว่าไม่ทันท่วงได้กับความทุกข์ล่านั้นนี่คือโอกาสาที่ทําให้เราได้ฟุสติอย่างจริงจังจึงสมควรที่จะเรียกมดหรื อ, อยุงว่าเป็นอาจารย์มดอาจารย์ดู เป็นครูของเราได้ทังนั้นและทัง้งคนที่พูดจาไม่ดีกับเราี่ <c oughs> าก็สามารถจะสอนทำให้กับเราได้สอนเรื่องโลกธรรมได้ว่าการเสดิจหนิ่งารเป็นของคู่กันหรือคูกจิตให้เกิดรู้จักให้อาภัยเกิดเมตตาหรือคูกจิตให้เกิดมีสติขึ้นมา <c oughs> ก็คือว่าไม่หวั่นไหวใจกับเพื่องกับคาพูดคำนั้น หรือว่าไม่เอาคําพูดซึ่งมันผานไปเป็นวันเป็นเดือนเนี่ยเอามารบกวนจิตใจเพราหมดนี้น่ยมันเป็นการบ้านที่จะช่วยกให้เราเนี่ยมีสติคล่องแคล่วปราดเปรืองถ้าว่าราทำางนี้ได้เนี่ยเราก็จะเข้มแข็งเราก็จะเป็นสุขได้ในทุกที่มีติดเป็นปกติได้ในทุกเวลาแดดร้อนแล้วก็จิตใจก็ปกติ เาอยู่ข้างกลางผู้คนหรือในเมืองจิตใจแล้วก็ไม่หวั่นไหว่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะถึง จ, จะรียว่ปล่อยวางได้อย่างแท้จริงก็คือว่าแม้อยู่ข้างกลางปัญหาแต่ว่าใจไม่ทุกข์แม้มีแรมากระทบกายแต่ว่าไม่จะเทือนจินใจเวลามีงานมีการก็ก็ทำและได้จิตใจที่แช่ชื่นเกิด บ, บาไม่ใช่ว่าพอถึงงานการแล้ว ใจมันต่อต้านใจมันปฏิเสธถ้าเราไม่เห็นใจที่ต่อต้านไม่เห็นใจที่ปฏิเสธอย่างนี้จะเรีปฏิบัติธรรมเจริญสติได้อย่างไรแต่นอกปฏิบัติธรรมจำนวนมากก็มองไม่เห็นไงเพราะฉะ น, นั้นก็เลยทําตัวเหมือนกับว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรือว่าปล่อยขาดร่างเลยจกันท่าบางทีคนที่ได้ปฏิบัติธรรมต่ก็พูดออกมาว่าปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างนี้เลย แล้ผมได้ยินบ่อยมากเลยคำพูดแบบนี้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วทำไเป็นอย่างนี้ทำปฏิบัติธรรมแล้วที่โัวทำไมปฏิบัติธรรมแล้วอ่อนแอนะไม่ได้ผิดชอบเห็นแกตัวได้ยินแบบนี้มามากทีเดียวในช่วงระยะหลังอันนี้เพราะว่าคนเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจที่จะลดละกิเลสแต่ว่าปล่อยกิเลสเนี่ยมันคลองใจปล้ความเห็นแตัวเนี่ยมันข่มสีจิตใจเอา ก็เลยใช้การปฏิบัติธามเป็นข้อห้ามวานักก็เพิ่มขึ้นทิฏฐิก็เพิ่มขึ้นแล้วนะความมีจิตตัวก็ไม่ได้ลดลงก็ทำให้จิตใจมีชีวิตี้ยั่แย่ลงบางทีนักปฏิบัติธรรมอาจจะดีกว่าเอ๊ะอะไรก็ตามเนี่ยของดีเนี่ยถ้าเราทำไม่ถูกนะมันกลายเป็นแย่เนี่ยขับรัวจะ เ, เป็นของดีแต่ถ้าขับไม่เป็นนี่อย่าขับดีกว่า เพราะว่าถ้ากลับไม่เป็นแล้วเนี่ยมันทำให้คนตายได้ปฏิบัติทําก็ดีนะแต่ถ้าปฏิบัติไม่เป็นเนี่อย่าปฏิบัติดีกว่าเพราะว่าบางทีมันเป็นโทษมากกวมันเป็นโทษที่ทําให้เกิดผลเสียกับตัวเองเกิดผลเสียกับคนอื่นแต่ถ้าเราปฏิบัติทําให้ถูกต้องเนี่ยความมิตรสมัน์มันมากมหาศาเลเลยมันจะดีตั้งแต่ตัวเองแล้วก็สามารถที่ปะเปีปย่ยวเพื่อคูณจะกสรรพสัตว์ได้ แล้วก็เทียนท่านก็เป็นตัวอย่างเลยว่าเมื่อท่านปฏิบัติธรรมจนกระทัง่งท่านได้รู้ธรรมแล้วนี่แล้วก็มีความเสื่อมละมีเมตตามมหาการสามารถที่จะไปะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนต่างๆด้วยความเกล้ากระอาจาอันไม่มีความไม่มีความไม่มีความทุกข์กับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วกม็มีความรู้สึกละท้อแล้วก็ทําอยู่สลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะได้เรียนจากผูบาอาจารย์ดันั้นถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องนะเราจะมีความทุกข์น้อยลงและเราจะมีรับผิดชอบมีความรับผิดชอบต่อต่อส่วนรวมมากขึ้นเราก็ช่วยทำให้ผู้คนที่รอบตัวเรามีความสุข แล้วก็สังคมก็จะดีขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นกระเจนที่อยากจะฝากเอาไว้ับพวกเราที่จะทปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้ทอดฟังกิเลสแห้งแจกินแล้วก็ไม่ปล่อให้มันคลองใจหรือหลอกเราในนามของการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติมงที่ว่าเราสมควรตเวลาลก็ขอมมที่จตตามาจารสาธุ